สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพระหัสเราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าสิบห้าพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่หกสิบพี่น้องครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะจบพระธรรมฮีบรูที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซู อยากจะถามพี่น้องว่าตั้งแต่ที่ฟังมาหกสิบครั้งนี่นะครับพี่น้องได้เห็นพระเยซูชัดเจนมากพงขึ้นไหมครับในชีวิตของท่านพี่น้องได้ประจักษ์ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูความเป็นมหาปุริหิตของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูกระทาบนไม้กางเขนที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เดิมเยอะแยะมากมายนะครับที่พี่น้องจะทราบในเช้าวันนี้ผมอยากจะยก เพิ่มพีในฮีบรูบทที่สิบสามข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่สิบแปดพี่น้องครับเมื่อวานนี้อาจจะมีผู้ถามว่าทําไมเราทั้งหลายจึองออกไปหาพระเยซูนอกค่ายและยอมรับคําดูหมิ่นเหยาะเยามเพื่อพระเจ้าผมอยากจะขออธิบายว่าในความคิดบริบทของพวกยิวการออกไปนอกค่ายในสมัยของโมเสศ ก็คือการถูกอัปเปหิตครับการถูกขับไล่สส่งออกไปจากชุมชนของพวกยวนั่นเองตลอดสมัยเพิ่มพีเดิมนั้นเมื่อผู้ใดถูกขับออกนอกค่ายคำพูดเช่นนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าสังคมปฏิเสธสังคมหลังเกียรตินะครับชุมชนชาวยวส่วนใหญ่นั้นเขาอยู่กันด้วยประเพณีวัฒนธรรมครับ ใครก็ตามที่ถูกขับออกไปนอกค่ายเหมือนกับคนที่ถูกอับไปหีกายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งยกตัว อ, อย่างเช่นพวกคนโรคเรื้อนนะครับหรือคนที่ผิดทางเรื่องการเป็นมนทินต่างๆเขาต้องออกไปชำระตัวที่นอกค่ายสิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ชาวยูเหล่านี้เผชิญอยู่ก็คือการถูกพวกยูมองว่าใครก็ตามที่เป็นคนคริสเตียนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่ สังคมรลังเกียรสังคมทอดทิ้งเขาจะต้องถูกทอดทิ้งในสังคมนะครับแท้จริงแล้วการถูกพวกยิวมองว่าเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งในสังคมคนต่างชาติมันเป็นมรดกทางชาติพันธ์ครับปอดศาสตร์ทางศาสนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพี่นะครับใครก็ตามที่จะเป็นคริสเตียนติดตามพระเยซูนั้นมันเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่มากที่คนยิวคนหนึ่งนั้นจะหันหลัง ไม่ใช่แค่ศาสนาของตัวเองเท่านั้นแต่หันหลังกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมหันหลังกับบรดุกทางชาติพันธุ์หันหลังกับประวัติศาสตร์ทางศาสนาหันหลังกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทุกอย่างเลยครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พระธรรมฮีบรูปได้เขียนให้คนต่างชาติเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่คนต่างชาติเท่านั้น แต่ก็ยังเขียนให้คนอยู่เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันกับพี่น้องในลักษณะของคนฮีบรูเองที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายต่อหลายอย่างในชีวิตพวกเราที่เป็นคริสเตียนคนต่างชาติการประยุกต์ใช้ก็คล้ายคลึงกันกนับพี่น้องครับหลังจากที่เราทั้งหลายได้ต้อนรับพระเยสุคริตแล้วบ่อยครั้งทีเดียวพวกเราต้องตัดสายสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ ย, ยิ่งสายติศาสตร์ ความเชื่อเก่าๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนบางคนครอบครัวหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตแบบเดิมๆคริสเตียนใหม่บางคนอาจจะไม่ได้ตัดความสัมพันธ์เหล่านี้แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้เราไม่เติบโตครับแต่แม้ว่าคริสเตียนใหม่ๆจะไม่ตัดความสัมพันธ์เหล่านั้นก็ตามเพื่อนๆที่ไม่เอาพเจ้าของเขาก็อาจจะ ตัดความสัมพันธ์กับเขาเองหรืออาจจะข่มเหงเขาก็ได้ประเด็นที่สําคัญตรงนี้นะครับผมอยากจะขออธิบายว่าผู้เขียนรรมาทําพีบรูนั้นหลุนจิตชูใจเราครับให้เราเดินหน้าต่อไปยอมรับคําดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์ยอมรับความทุกข์เพื่อพระองค์แต่เราต้องรู้ว่าเราจะเพชิญเชิญอะไรบ้างเราควรจะทําอย่างไรต่างหากครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคนที่ เป็นครื่องเยนเขาจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ถ่วงอยู่เหมือนกับในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองครับข้อหนึ่งเราจะต่อกันครับวันนี้ข้อที่สิบสี่นะครับผู้เขียนฮีบรู ก, กำลังหนุนจิตชูใจว่าเราแม้ว่าจะไม่มีเมืองที่ถาวรบนโลกนี้แต่เรามีเมืองที่ถาวรบนสวรรค์ นอกจากนี้เราที่เป็นวิจุิชนของพระเจ้าเราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าด้วยความเชื่อนี่แหละครับเรากําลังรอคอยบ้านอันถาวรหรือเมืองที่มีอยู่ข้างบนที่พระเยซูได้กลับไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับเราแล้วกรรมสิทธิ์ของเรามนโลกนี้มีแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับด้วยความเชื่อเราต้องตั้งหน้าตั้งตาคอยครับคาว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยมีความหมายว่าเราจดจ่อ เพียงครับหลายครั้งทีเดียวเรามีความทุกข์ลาบากเรามีความขัดแย้งกันเรามีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นเรามีความอะไรก็ตามที่เป็นทางลบที่จะดึงเราออกจากทางของพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ว่าใจของเรานั้นจิตใจของเรานั้นไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนทั้งผีสอนชัดเจนนะครับอย่าจดจ่อในสิ่งที่เป็นของที่ จะเสื่อมสลายไปได้แต่ให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องถาวรนะครับและเรื่องถาวรนี่แหละครับเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นครับยังมองไม่เห็นอยู่นั่นคือต้องใช้ความเชื่อมองและต้องมีความหวังในข้อ15ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สรุปนะครับในการถวายพระองค์เองของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระบุ้เนเจ้าของเรานอกประตูเมืองนั้น ทำให้เรามีความหวังสุขใสแห่งสวรรค์รอคอยอยู่เบื้องหน้าเพราะเหตุ น, นั้นให้เราถวายคําสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปครับเราควรสรรเสริญพระเจ้าเสมอไปขณะที่ทำมิกชนในเพิ่มพีเดิมนั้นถวายเครื่องบูชาเราที่อยู่ในเพิ่มพีใหม่เราควรถวายคําสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาเสมอไปพี่น้องครับทุกๆเช้าทุกๆกลางคืนเราได้ตั้งแท่นบูชาถวายพระเจ้าถวายคําสรรเสริญ หรือเปล่าครับผลแห่งเลมอดฝีปากที่ขอบคุณพระนามของพระองค์คำคำนี้นะครับก็คือคำว่าสารภาพยอมรับคำว่าขอบพระคุณคำนี้นะครับในภาษากรีกนั้นก็คือออมฮอร์โมลเกโอฮอโลเกโอคือการสารภาพหรือออกปากยอมรับครับพี่น้องครับ เมื่อดูระบบของผู้เชื่อชาวยิวที่หวนไว้ในความเชื่อของตนแล้วนะครับเราจะต้องนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันจนกระทั่งถึงเรานั้นจะมีริมฝีปากที่ขอบพระคุณพระเจ้าจนกระทั่งพวกเรานั้นจะออกปากยอมรับสาภาพครับว่าเรามาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับ ข้อ16 17ต่อไปบอกว่าอย่าลืมที่จะทําทการดีแบ่งปันเข้าของซึ่งกันและกันนะครับคําว่าแบ่งปันเข้าของซึ่งกันและกันนั้นก็มีคำหมายว่าเป็นคอยโนเนียซึ่งแปลว่าสามากิจธรรมครับมันหมายถึงการแบ่งปันน้ําใจไมตรีแบ่งปันเข้าของทรัพยากรของตนกับผู้อื่นในข้อ17 ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังและอยู่ใต้โอวาจนของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่ต้องถวายรายงานให้เขาทําการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์เพื่อนครับก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้ในข้อ17นะครับ ผู้รับใช้พระเจ้าศิยาพิบาลหลายหลายท่านไม่กล้าเทศแต่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังคำสั่งสองประการที่ปรากฏตรงนี้นะครับบริบทในพระรมภพีร์นั้นสื่อชัดเจนถึงคนเหล่านั้นที่เป็นผู้ น, าน่ายวิญญาณก็คือศิยาพิบาลพี่น้องกำลังฟังเสียงจากศิยาพิบาลและสิยาพิบาลคนนี้ก็จะพูดตรงในบริบทของพระบัมภีรย ในบุญบริบทของคริสตจักรทองถิ่นเพียงครับพระจ้าของพระเจ้าพระคัมภีร์สอนให้คริสตจักรนั้นนะคริสเตียนที่ดําเนินตามทางของพระเจ้านั้นจะต้องเชื่อฟังศี่งอภิบาลของตนประการที่สองครับต้องนบนอกต่อสิทธิอำนาจของเขาการกระทำอย่างนี้ขัดแย้งกับธรรมชาติเดิมอย่างชัดเจนใช่ไหมครับถึงกระ น, นั้นก็ดีพระคัมภีเรียกร้องให้เราเป็นอย่างนั้นเพื่อที่เราจะสําแดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ ญ, ญาณ ความไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณถูกสัมดงให้เห็นทางจิตวิญญาณที่ดื้อรั้นและมักกระบทความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิยญญาณถูกพบในจิตวิญญาณที่ตรงกันข้ามนะครับพี่น้องครับในสังคมมนุษย์นั้นพระเจ้าได้ดสถาปนาสามชา บ, บ้านพื้นฐานก็คือบ้านรัฐบาลและคิดจับพระเจ้ามอบหมายสิทธิอำนาจให้แก่ผู้นําที่ถูกแต่งตั้งอย่างเหมาะสมครับเราจึงต้องให้ความเคารพอาเมนีน